ขิขาบทที่9ว่าได้การไม่ติดตามประวัตินีตลอด2ปีเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,111 11. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอรารามของของนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายไม่ติดตามประวัตินีผู้บวชให้ตลอด2ปี พวกเธอเป็นคนโงเ่เขลาไม่ฉลาดไม่รู้จักสิ่งควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตาหนิประนามโพนธนาว่าฉะนันพวกภิกษุณีจึงไม่ติดตามประวตติภีผู้บวชให้ตลอดสองปีเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุแนะนาเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ